วันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่18รกรกฎาคมพุทธศรรักราช2563ตอนนี้เราจะมีการแสดงธรรมฟังธรรมกันทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันหยุดชดเชยและวันพระนี่คือตารางเวลาของการแสดงธรรมในปัจจุบันตอนนี้ยังขึ้นไปแสดงธรรมที่บนเขาชิโอนไม่ได้เพราะทางราชการยังไม่อนุญาต ให้ขึ้นไปเพราะกลัวว่าจะไปแพร่เชื้อไปติดเชื้อกันก็เลยมาพบกันที่นี่แทนการพบกันที่นี่ก็ตามมีตามเกิดไม่ได้เตรียมอะไรไว้รับรอง ต้องหาเสือหาอะไรมาปูนั่งกันเองเก้าอี้อ่านั่งเก้าอี้ก็เอาเก้าอี้พับมาถ้าช่วงวันไหนมีฝนฟ้าก็ถือร่มมาด้วยพอเราจะนั่งอยู่กลางแจ้งกันยนั่งอยู่ตามร่มไม้ก็มีที่หลบฝนได้บ้างแต่ไม่มาก ก็ขอให้เรายืดหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วเราจะสบายใจจะได้ไม่ต้องไปมีปัญหากับใครเพราะเราเตรียมพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น เรามาหาธรรมกันหาสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าสิ่งทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้ให้ความสุขที่แท้จริงให้ความสุขที่ถาวร ส่วนสิ่งอื่นๆนั้นเป็นของชั่วคราวเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆเป็นของชั่วคราวทรงตัดว่าถ้าจะให้เลือกก็ให้เลือกธรำเพราะทมเป็นของของเราเป็นของที่เราเอาติดตัวไปได้ ส่วนสิ่งอื่นๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆร่างกายของเราเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงทรงตัดสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะ สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมมันประเส ร, ริฐของพระพุทธเจ้าที่จะให้ความสุขแก่ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามจะให้ความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวร ที่จะติดไปกับใจไม่ว่าใจจะไปอยู่ที่ไหนเวลาใดใจที่มีธรรมจะมีความสุขตลอดเวลา<ม>ต่างกับใจที่มีทรัพสมบัติมีสิ่งต่างๆมีบุคคลต่างๆบางเวลาก็มีความสุขบางเวลาก็มีความทุกข์ สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆไม่สามารถที่จะป้องกันความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นในใจได้เมื่อถึงเวลาทุกข์จะเกิดก็เกิดขึ้นมาได้แต่สําหรับผู้ที่มีธรรมนี้ทุกข์จะไม่มีวันเกิดทุกข์จะถูก อำนาจของธรรมกำจัดดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญต่อธรรมยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าต้องสละทรัพย์ก็สละไปเพื่อรักษาธรรมถ้าต้องสละอวัยวะก็สละไปถ้าลองรักษาธรรมถ้าต้องสละชีวิต ก็ยินดีสละไปเพื่อรักษาธรรมพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจา้าคูบาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านสละทรัพย์เพื่อธรรมท่านมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านสละหมดออกโบวชสละทรัพย์เพื่อธรมรมสละอวัยวะ ก็คือยอมเจ็บปวดเวลาร่างกายปฏิบัติธรรมบางครั้งก็ต้องทุกขทรมานทางร่างกายเดินจงกรมเป็นเวลาหลายชั่วโมงนั่งสมาธิเป็นเวลาหลายชั่วโมงถ้ากลัวที่จะต้องเสียอวัยวะจากการปฏิบัติธรรมก็จะไม่กล้าปฏิบัติ ก็จะไม่ได้ทำหลวงตาเคยพูดว่าพระบางรูปปฏิบัติจนฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกเรียกว่าท่านสละอวัยวะเพื่อทำไม่กังวลกับเรื่องสุขภาพของร่างกายแม้แต่ชีวิตท่านก็ให้สละเพื่อทำ อย่างหลวงปู่ขานี้ท่านพูดว่าริพานอยู่ฝากตายถ้าไม่ยอมตายนี้จะไม่ได้พบกับธรรมอันประเสรศิฐ น, นี่คือเรื่องของธรรมที่เป็นของประเสรศิฐแต่จะต้องยอมเสียเสียสละ ความสุขทางโลกความสุขจากการมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองความสุขจากการอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างปลอดภัยต้องไปอยู่แบบพระทุดงในป่าอยู่แบบคนขอทานบินบาตได้อาหารอะไรมาก็ ยินดีตามมีตามเกิดอยู่ในที่มีภัยรอบด้านก้าเสียสละชีวิตถ้าจาเป็นจะถ้าถ้าเกิดจะต้องตาย <c oughs> ก็ยินดีที่จะตายปฏิบัติธรรมก็ยินดีที่จะยอมให้ร่างกายถ้าจะต้องเจ็บไข้ด้วยป่วยจากการปฏิบัติธรรมก็ยินดี ่าท้าแตกนะหรือจากขุแตกเพราะจากขุบาลภาวนาแบบไม่หล no ับไม่นอนจนจากขุคือทาตาแตกแต่ได้ทาอันประเสริฐเป็นของแรกเปลี่ยนเป็นอมตะธรรมเป็น <uit> <nonsense> <Spanish> การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดวิมุตติธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปดังนั้นนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะคำนึงถึงหรือประเมินความสำคัญของธรรม ยกทำให้เหนือกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วพยายามศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลอันประเสรตต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่เป็นผู้รู้ธรรมพระธรรมที่พวกเราได้ยินได้ฟังนี้เกิดมาได้จากการตัดสรุป ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูธ้ธรรมจะไม่มีพระธรรมคำสอนที่พวกเรากำลังศึกษาอยู่ขณะนี้มาเป็นผู้บอกทางให้กับเราว่าวิธีที่จะเข้าถึงธรรมมันประเสริฐนั้นเข้าได้อย่างไร เราจรึงต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะในเบื้องต้นต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมให้พวกเราฟังกันตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านจากพวกเราไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคำสอนที่ได้ทรงตัดสอนไว้ตลอดระยะเวลา 45,000 ป่าหลังจากวันที่ได้ทรงแสดงธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดจนถึงวันเสด็จดับขันธ์ท่าปารินิพันธ์เป็นเวลา 45,000 ป่าด้วยกันพระธรรมต่างๆเหล่านี้ได้มีการจด บันทึกกันเอาไว้จดจํากันในเบื้องต้นท่องจํากันแล้วต่อมาก็ได้มีการบันทึกเอาไว้รวบรวมมาไว้ในพระคำพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าปราศจากศาสดาเพราะศาสดา ผู้ที่จะมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมวีนันที่ได้ทรงตัดสอนไว้แล้วโดยชอบสวากขาโตพระกตาธรรมโมพระธรรมเหล่านี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี่คือสาระที่สองของพวกเราพอไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ถ้าอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้า เราก็เข้าหาที่พระไตรปิฎกศศกษาพระธรรมคำสอนต่างๆที่ได้ทรงแสดงไว้มีพระสูตรต่างๆนับตั้งแต่พระสูตรครั้งแรกคือธรรมจากกัปวัตนสูตรนี่เป็นธรรมครั้งแรกที่พระเจ้ทาทรงแสดงในวันเพ็ญเดือนแปดวันนาสารหาบูชาที่ผ่านมาเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วอันนี้เป็น บทแรกของพระธรรมคําสอนแล้วนอกจากพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วเรายังมีสารณะที่พึ่งที่สามคือพระอริยสงสารุกพระอริยสงสาวกุาาสสาวกตั้งแต่พระสุดาบันขึ้นไปเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมนะ มีดวงตาเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นผู้ที่สามารถทาหน้าที่สั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าได้นี่คือที่พึ่งของชาวพุทธเราคือครูบาอาจารย์ของพวกเราที่พึ่งของพวกเรานี้คือครูบาอาจารย์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาเสกมาเป่า ที่จะมาขับไล่ภัยอันตรายต่างๆที่จะมาลุกรานแก่ชีวิตของพวกเรานี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางท่านคิดว่าห้อยพระแล้วจะป้องกันภัยได้ป้องกันอุบัติเหตุนั่งรถแล้วไม่ควม่มคว่ำก็ไม่ตาย ลองไปดูสิรถที่ความคนที่ตาย น, นห้อยพระกันกี่องค์<ม> <c oughs> นี่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่หน้าที่ของพระรัตนตรัย <c oughs> พระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งในทางคำสอน <c oughs> เป็นผู้ที่จะสอนให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรา <c oughs> ให้หมดไป เป็นคำสอนที่จะสอนให้พวกเราไม่ต้องไปสร้างความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเหมือนที่พวกเรากำลังสร้างกันอยู่ในขณะนี้พวกเรานี้ชอบเกิดกันพอมีวันเกิดนี้ฉลองวันเกิดกันดีใจที่ได้เกิดแต่ลืมไปว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันตายแล้วก็ไม่เก็ด ตายแล้วก็กลับมาเกิดเองถ้ามีธรรมะแล้วต่อไปจะไม่กล้าเกิดต่อไปจะไม่อยากเกิด<ม>เพราะจะเห็นทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดเกิด ม, มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่เว<ม>ลาแก่มันก็ไม่สุขไม่สบายเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว<ม>แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยต่างๆ แล้วในที่สุดก็ต้องตายกันนี่คือที่พึ่งทางใจพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของพวกเรานี้มีหน้าที่สอนให้พวกเราอย่ามาเกิดกันสอนให้พวกเราอย่าไปสร้างความทุกข์กันด้วยการละเหตุที่จะพาให้เรามาเกิดพาให้เรามาทุกข์กันเหตุก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ตันหาก็คือกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหากามตันหาแปลว่าความอยากในเสพกามคุณทั้งห้าคือการอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะชนิดต่างๆอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกาย ความอยากเหล่านี้มันพาให้เราต้องมามีร่างกายกันเพราะอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากริมรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสกับสัมผัสต่างๆก็ต้องมีร่างกายมีกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนการที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายได้ ก็ต้องมีร่างกายต้องมาเกิดกันแต่ร่างกายนี้มันก็มีส่วนที่เราไม่ชอบแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปแต่ถ้าเรามาละความอยากการมาตัณหาได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ เมื่อเราไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิน่นอยากสัมผัสกับปุถุพะชนิดต่างๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายอันนี้คือเรื่องของกรรมมามตัณหาความอยากเสกกามนี้เป็นตัวที่พาให้เรามามีร่างกายกันมาเกิดกัน ภาวะตันหาคือความอยากมีอยากเป็นก็มีอยู่หลายระดับนความอยากมีอยากเป็นในระดับของความสุขทางร่างกายเราก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากสวยอยากงามกันอยากร่ำอยากรวยกันเพราะเวลาเรามีสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีความสุขกัน แล้วความสุขระดับที่สูงกว่านี้ที่เรียกว่าความอยากมีความสุขจากการเสพรูปประชานอันนี้ก็เป็นความอยากอีกแบบหนึ่งซึ่งคนที่เสพกามนี้จะไม่ได้สัมผัสพวกที่จะสัมผัสกับความสุขที่ได้จากการเสพรูปประชานเป็นพวกที่ละการเสพกามคือพวกนักบวชทั้งหลายพวกที่ถือศีลแปด เพื่อที่หัดนั่งสมาธิก็จะสามารถพบกับความสุขที่เกิดจากรูปปัจจานเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็วิภาวะตัณหานี้ก็เป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือไม่อยากมีสิ่งที่เราไม่ชอบกันเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย เราจะคอยหนีมันอยู่เรื่อยพยายามหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายกัน mm hmm. เวลาหนีไม่ได้ก็จะทุกข์กันเ mm hmm. รี่กวิภาวะตัณหาหนีจากความยากจน mm hmm. หนีจากความไม่สวยไม่งามพยายามหนีกันเวลามีสิวมีฝ้านี่หนีมันหา mm hmm. หาอยู่้ายาหาอะไรมาโปมาทำ อมันทําให้ใจเราต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นวิภาวตั่หาระดับของร่างกายส่วนวิภาวนระดับของใจก็คือความอยากเสพรู้อารู ป, ประฌานอันนี้ก็เป็นวิภาวตั่นหาความอยากทั้งสามนี้เป็นตัวที่พาให้จิตใจของพวกเรา มาเกิดในตายพบถ้ามีความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะมาเกิดในกามมพบกามพบนี้มีพบมีใครบ้างที่มาเป็นผู้ที่อยู่ในกามะพบก็มีมนุษย์อย่างพวกเรานี้แล้วก็มีสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มีพวกเทวดาพวกเทพทั้งหลาย แล้วก็มีพวกเปรดพวกอสุรกายพวกที่อยู่ในนรกพวกนี้เป็นพวกที่เสพกรรมยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็ยังต้องมาเกิดในภพเหล่านี้ตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันเราก็มาหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันเราชอบดูชอบฟังชอบกินชอบดื่มกัน แล้วในช่วงที่เราเป็นมนุษย์เราก็อาจจะทำบุญบ้างอาจจะทำบาปบ้างถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถหามาหามาได้โดยวิธีไม่ทำบาปเราก็อาจจะไปทำบาปกันอยากจะได้เงินทองเงินทองไม่พอใช้ <c oughs> ก็อาจจะไปรักเลกขโมยน้อย <c oughs> ไปโกหกหลอกลวง อันนี้ก็จะมีการทําบาปกันแล้วถ้าบางช่วงบางเวลา<ม>เรามีข้าวของเงินทองมากมเราโชคดีทำมาหากินแ ล, ล้วร่ํารวย<ม>เราก็อยากจะช่วยเหลือแบ่งปันให้คนอื่นบ้าง<ม>เห็นค น, นเขา<ม>ขาดแคลนอดอยาก<ม>ก็อยากจะช่วยเหลือเขา<ม>เราก็จะได้ทําบุญกันเนี<ม>่ย<ม>ในขณะที่เราเป็นมนุษย์ในขณะที่เรามา หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเราก็จะต้องมีการทําบุญบ้างทําบาปบ้างสลับกันไปและการทําบุญทําบาปมันก็มีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราถ้าทําบุญมันก็จะยกจิตใจของพวกเราให้ขึ้นสูงให้ไปเป็นเทวดาต่อไปถ้าทําบาปมันก็จะดึงจิตใจของพวกเราให้ลงต่ํานำ จะดึงให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างแทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไปเกิดเป็นนกเป็นปลาเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายสุดแท้แต่บาปที่เราทำไว้จะเป็นบาปชนิดไหนค่าสิ่งใดก็มักจะกลับไปเกิดเป็นสิ่งนั้นฆ่าปลาก็จะกลับไปเป็นเกิดเป็นปลาฆ่านกก็กลับไปเกิดเป็นนก ต้องไปรับผลของกรรมที่เราทำไว้ถ้าไม่ได้เกิดเป็นเดรัจฉานก็เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยก็เป็นเปรต ด, ดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เป็นนสุลกายดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นก็เป็นนรกนี่คือ <c oughs> ที่ไปของผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่ตายไปแล้วจะต้องไป ทางใดทางหนึ่งถ้าบุญพาไปก็ไปสวรรค์ถ้าบาป พ, พาไปก็ไปอบายแล้วพอบุญหรือบาปที่พาไปหมดกําลังลง <c oughs> ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> แล้วก็จะมาทําบุญ <c oughs> ทําบาปมาเสพความสุข <c oughs> ทางตาหูจมูกนิ้วกายกันใหม่ต่อไปจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่สามารถกําจัดกามาตันหา ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดทพราได้ถ้าเราละได้เช่ น, นพวกนักบวชทั้งหลายเขาละการเสพรูปเสียงกลิ่นลดแล้วเขาเปลี่ยนไปเสพความสงบจากรูปประชานกับอ ร, รูปประชาญเวลาเขาตายไปเขาก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปประพรมกับอ ร, รูปประพรม ถ้าได้รูปประชานก็จะไปเกิดบนสวรรค์ของรูปปฐพุมถ้าได้อารูปประชานก็จะไปเสดบนสวรรค์ของอรูปปะพมมซึ่งสวรรค์ทั้งสองระดับนี้ก็เสื่อมได้เหมือนกันจะไม่ได้อยู่บนสวรรค์ไ ป, ไปตลอดพอบุญที่ทำส่งไปคือฌานส่งไปรูปประชานกับอรูปปัจานหมดกำลังลงเนี่ย ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มักจะกลับมาเกิดเป็นนักบวชกันใหม่เออพวกนี้เขาเบื่อการเสพกรรมเขาเห็นว่าเสพกรรมแล้วมันทุกข์มากกว่าเสพรูปประชานกับอรูปประชานพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปบวชกันบางคนก็บวชตั้งแต่เป็นเด็กเลยขอพ่อแม่บวชก็มีขอไปบวชแนน ไม่ชอบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆชอบความสงบ <c oughs> แต่ก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเหมือนกันเพียงแต่ว่ามาหาความสุขต่างกันพวกที่ยังมีกามตัญหาก็จะมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสพวกที่มีภาวะตัณหาก็จะไปเสพรูปประชานพวกที่มี วิภาวะตันหาก็จะไปเสพอารูปฌปานก็ยังต้องกลับมาเกิดต้องมีร่างกายกลับมาเกิดเป็นนักบวชก็ต้องมีร่างกายมีร่างกายแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่พวกที่ได้รูปฌปานกับอารูปฌปานนี้ความทุกข์ที่ได้จากความแก่ความเจ็บความตายนี้จะน้อยกว่าพวกที่เสพ รูปเสียงเกิดนั้นเพราะพวกที่เสบรูปเสียงเกิด น, น, นี้จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เวลาแก่เวลาเจ็บนั่นเองก็จะมีความทุกข์ทรมานใจแต่พวกที่เสบรูปประชานรูอารูปประชา น, นี้จะไม่ค่อยทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเขาเข้าฌานได้เายังมีความสุขจากการเข้า เข้าสมาธิได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข yeah, yeah. นั่งเฉยๆนะนั่งก็ได้นอนก็ได้ mm hmm. ถ้าเข้าชานเป็นแล้วจะเข้าในท่าไหนก็ได้ mm hmm. แต่สำหรับผู้ที่ยังเข้าชานไม่เป็นนี้เวลาฝึกต้องฝึกในท่านั่งจะดีกว่าถ้าฝึกในท่านอนแล้วมักจะหลับห mm hmm. ลับแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผล mm hmm. แต่ถ้าเข้าฌานได้แล้วจะอยู่จะเข้าในท่าไหนก็ได้เข้าในท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้เช<ม>่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าฌานได้มไม่หลับนฌ<ม>านกับการหลับนี่ต่างกันเวลาหลับนี้จะไม่มีสติจะไม่รู้เรื่องรู้ราว<ม>แต่เวลาเข้าฌานนี้จะมีสติ<ม><ม>แล้วจิตจะนิ่งจะสงบ จิตจะไม่มีความคิดปรุงแต่งจะไม่มีความฝันแต่ถ้าหลับนี้จิตไม่มีสติจากความคิดปรุงแต่งก็จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าฝันปรุงแต่งไปในเรื่องที่ดีก็เรียกว่าฝันดีปรุงแต่งไปในเรื่องที่ไม่ดีก็เรียกว่าฝันร้ายนี่คือ ที่มาที่ไปของพวกเราที่ยังมีตัณหาทั้งสามชนิดนี้อยู่ถ้าเรายังมีกามาตัณหาเราก็จะกลับมาเสพกามกันตายไปก็ถ้าทำบุญไว้บุญก็พาไปเป็นเทวดากันไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กันถ้าทำบาปไว้ก็จะไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่มีแต่ความทุกข์ที่เป็นแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องราวทุก ทั้งหลายให้เราได้เสพได้สัมผัส<ม>หรือ ถ, ถ้าเกิดก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่คือ<ม>เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของ จ, จิตใจของพวกเรา<ม>จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด<ม>จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม><ม>พอเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้ว เราก็จะได้ยินคำสั่งคำสอนว่าให้พวกเรายุติการเวียนว่ายตายเกิดกันดีกว่าอยากกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันเลยเพราะมันทุกเนี่ยเราต้องหลั่งน้ำตาทุกครั้งที่เรามาเกิดแล้วท่านบอกว่าถ้าเราเอาน้าตาที่เราหลั่งนี้ของการที่เรามาเกิดแต่ละครั้งนี้มารวมกันนี้ น้ำตาของเรานี้จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูว่าจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกขมาร้องไห้กันสักกี่รอบกันถึงจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราหรือการสะสมทุกข์ของพวกเราที่จะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนจนกว่า เราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งถ้าเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าก็ไปฟังธรรม จ, จากพระพุทธเจ้าเลยอย่างผู้ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจำนวนมากเพียงระยะเวลาเจดเดือนแรกของการแสดงธรรมคือวันเพ็ญเดือนแปดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาไปถึงวันมาคาบูชาวันเพ็ญเดือนสาม เป็นเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้ห้าสิบรูปที่มาประชุมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเลยเป็นความระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอยากจะมากราบอยากจะมาแสดงความขอบคุณ ที่ทำให้พวกเขาไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปที่ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปนับตั้งแต่วันที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจนี้หายไปหมดจึงเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเลยมาพบพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันเดี๋ยวนี้เพียงระยะเจ็ดเดือน ของการเผยแพ่สั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ช่วยคนให้ได้ดุดพ้นเป็นอย่างน้อยก็พันกว่าคนขึ้นไปแล้วถ้านับจํานวนต่อไปอีกสี่สบห้าปีนี่คิดดูว่ามีพระอารหันต์ขึ้นมากี่รูปด้วยกันพระอารหันต์เหล่านี้ถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าคือถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอารหรันต์ เป็นปุถุชนเหมือนพวกเราถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีวันได้เป็นพระอาหารหันต์ได้ในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าในยุคที่พระพุทธเจ้ายังบำเพ็ญอยู่ยังเป็นสมณะโคโดมอยู่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนยังไม่มีใครเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีพระอรหันต์เป็นเวลาอันยาวนาน เพราะพระอาหารจากยุคของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นหายไปหมดแล้วเข้านิพพานไปหมดแล้วมไม่ได้อยู่เพื่อที่จะมาเผยแผ่คําสอน<ม>ให้กับสัตว์โลกเ<ม>จ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดมนี้จึงไม่สามารถศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ศึกษาด้วย<ม>จึงต้อง ทดลองศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ได้พบสัจธรรมความจริงอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรจน์มาก mm hmm. เห็นว่าทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ mm hmm. เกิดจากตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา mm hmm. และการที่จะทําให้ทุกข์นี้หมดไปได้ ก็เกิดจากการเจริญมรรคมรรคก็คือการปฏิบัติธรระดับต่างๆถ้าเป็นคราวาสก็ต้องปฏิบัติระดับทานศีลภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็ปฏิบัติระดับศีลสมาธิปัญญา <Yeah. S 2> เพราะนักบวชกับฆราวา ต, ต่างกันตรงที่มีทรัพย์และไม่มีทรัพย์นั่นเองนักบวชนี่สละทรัพย์ไปแล้ว ได้ทำทานได้ผ่านขั้นทานไปแล้วทำทานหมดแล้วข้าของเงินทองยกให้คนอื่นไปหมดแล้วก็ออกบวชก็เหลือแต่ศีลกับภาวนาที่จะต้องปฏิบัติศีลก็ศีลสอง้อยบเจ็ดข้อถ้าเป็นสัมมเนนก็ศีลสิบแล้วก็ภาวนาก็ภาวนาก็แบ่งเป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาคือการเจริญสมาธินี่เอง ระดับที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญานี่คือมรรคของนักบวชเศรษสมาธิปัญญาส่วนมรรคของคารวะผู้ครองเรือนที่ยังมีเงินอยู่ยังติดยึดติดอยู่กับเข้าของเงินทองยังหาความสุขจากเงินทองอยู่ก็ต้องพยายามลดการพึ่งพาเงินทองในการหาความสุข ด้วยการหัดมาหัดภาวนากันเช่นในวันพระให้หยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันสังหนึ่งวันแล้วมาหัดฝึกสมาธิกันทำใจให้สงบกันมาถือหัดถือศีลแปดกันศีล แ, แปดก็เป็นศีลของนักบวชของอุบาสกอุบาสิกาเพื่อที่จะได้ เปลี่ยนวิธีหาความสุขต่อไปจะได้เลิกพึ่งพาเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุข <Yeah. S 2> ถ้าสามารถหาความสุขจากการฝึกสมาธิได้ทำจิตใจให้สงบได้ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินทองไปใช้กับอะไรเพราะเงินทองความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการฝึกสมาธิไม่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ ถ้าทำใจให้สงบให้ได้บ่อยขึ้นชํานาญมากขึ้นก็จะเกิดความอยากที่จะไปบวชต่อไปอก็จะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอทําทานให้หมดไปมีเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปยกให้พี่ให้น้องให้ญาติพี่น้องให้บิดามารดาให้บุตรที่ดาแล้วจะได้มดีเวลาไป จะเลินศีลสมาธิปัญญาต่อไปเพราะศีลสมาธิปัญญาจะเป็นผู้ที่จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าหยุดความอยากมีอยากเป็นอยากหาความสุขจากรูปประชานและหยุดหาความสุขจากรูปประชานได้<ม><ม>พอเราหยุดความอยากทั้งสามได้ จิตของพวกเราก็จะไม่ไปเกิดในภพทั้งสามติดต่อไปไม่ไปเกิดในกามาพบไม่ไปเกิดในรูปภพไม่ไปเกิดในอรูปภพต่อไปแต่การกําจัดตัณหาทั้งสามนี้ก็ต้องกําจัดเป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกก็กําจัดกามะตัณหาก่อนโดยอาศัย พลังของสมาธิและพลังของปัญญาสอนให้เห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเป็นความสุขที่มีความทุกขซ่อนอยู่ตามมาเสมอเพราะเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่เปลี่ยนได้หมดได้ได้อะไรมาเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขกับมัน แต่ต่อไปสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนได้ของใหม่กลายเป็นของเก่าได้ของดีกลายเป็นของเสียได้พอมันเปลี่ยนไปเรือมันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปสิ่งที่ได้แทนที่ก็คือความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือบุคคลที่เรารักไปรู้สึกอย่างไรบ้าง ดีใจหรือเสียใจเวลาได้เงินมานี่ดีใจพอเสียเงินไปเงินหายไปนี่เสียใจไหมเดวมีมีอะไรที่จะไม่จากเราไปบ้างถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปวันใดวันหนึ่งเพราะเราก็ไม่อยู่ในโลกนี้ไปตลอดฉะนั้นถ้าเรายังพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเรา เราก็จะต้องเจอความทุกข์กันเรื่อยๆเวลาที่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราเปลี่ยนไปหรือหมดไปถ้าเราเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะกลายเป็นทุกขขังขึ้นมาเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดมันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนั่นเอง นี่คือการเห็นไตรลักษณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเห็นแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายกับการที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็จะตัดความอยากในการเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้พอตัดกามตัณหาได้แล้วก็ต้องไปตัดภาวะตัณหาต่อไปเพราะว่า พอไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นโน้ก็ไปเสบรูปประชานกับอารูปประชานแทนไปเสบความสงบจากสมาธิแทนความสงบของสมาธิก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเวลาเข้าฌานจิตก็สงบมีความสุขแต่อยู่ในฌานไปไม่ได้ตลอดเพราะเดี๋ยวก็ต้องออกมาจากฌานออกมาเกี่ยวข้องกับร่างกายเพราะร่างกายยังต้อง ดูแลต้องเดิมน้ำต้องรับประทานอาหารต้องขับถ่ายต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบทจากนั่งมาเดินมายืนมาแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องทำดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่พักซักผ้าซักผ่อนทำความสะอาด บ้านช่องอะไรต่างๆเหล่านี้อา บ, บนะ้ำทำความสะอาดร่างกายก็อยู่ในฌานอยู่ในสมาธิไม่ได้ตลอดกอออกจากฌานมาออกจากสมาธิมาความสุขความสุขก็หายไปความสุขที่ได้จากฌานก็หายไปใจก็จะเกิดความรู้สึกหงุดหยิดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาได้ก็อยากจะกลับเข้าไปฌานอีกอันนี้ก็ต้องเห็นว่า ชาญคือรูปประชานกับรูปประชานนี้ก็ยังเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ควรที่จะไปเสพเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดนี้คนที่เสพนี้จะทุกข์มากกว่าคนที่ไม่เสพคนที่ไม่เสพจะไม่เดือดร้อนจะไม่ต้องคอยกังวลหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาหายาเสพติดมาเสพไม่ได้ก็จะทุกข์กัน แต่คนที Aye. Aye. Yours, ่ไม่ติดก็ไม่ไม่เดือดร้อนก็พิจารณาให้เห็นว่ารูปประจานการูปประจานก็เป็นเหมือนยาเสพติดอยากไปเสพมันเวลาอยากจะเสพรูปประจานก็หยุดมันอย่าไปหาความสุขจากรูปประจานมีความสุขที่เหนือกว่ารูปประจานเอรูปประจานรอเราอยู่คือความสุขจากการที่ไม่มีความอยากอันนี้แหละเป็นความสุขที่ ถูกความอยากมันบังเอาไว้เป็นความสุขที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่พวกเราไม่เคยได้เสพได้สัมผัสกันเพราะถูกความอยากมันมาคอยบดบังไว้เรามีความอยากตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็อยากนะอยากได้นู่นอยากได้นี่ร้อนก็อยากจะอาบน้ำหิวน้ำก็อยากจะดื่มน้ำมันมีความอยากตลอดเวลา มันก็เลยทำให้เราไม่เห็นความสุขที่เกิดจากความไม่มีความอยากกันจะเห็นได้ก็เวลาที่เราเข้าสมาธิเท่านั้นตอนที่เราเข้าสมาธินี้ความอยากก็จะหยุดไปชั่วคราวแต่สมาธิมันก็เป็นของชั่วคราวอีกเหมือนกันพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องออกมามันก็ยังทำให้เราเกิดความอยากอย พอพอไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปอยากในสมาธิไปอยากในรูปประจานอยากในอรูปประจานแทนเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ด้วยการใช้ปัญญาเพื่อการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจทุกขังอนัตตาแม้แต่รูปประจานและอารูปปะชจานที่เป็นความสุขอันละเอียดที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏาภะก็ยังเป็นความทุกข์อยู่นั่นเองทุกเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ในรูปปัจจานมีรูปปัจจานหรืออารูปปัจานได้ตลอดเวลาพอเวลามันไม่มีมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากเสพรูปปัจจานหยุดความอยากเสพอรูปปัจจานได้ความทุกข์ที่เกิดจากความ อยากเสพรูปประชาณรูปประชาณจะหายไป <Yeah. S 1> แล้วความสุขที่ถูกความอยากที่มันบังไว้นี้จะโผล่ขึ้นมา <Yeah. S 1> เป็นความอยากที่เรียกว่านิพพานเนี <Yeah. S 1> ่ยพอเราละาความอยากทั้งสารได้กามาตัะหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้เราก็จะได้พบกับความสุขของภาพนิพพานนิบา น, น บ, บานังปรมังสุขขงัง yeah. yeah. เป็นความสุขที่ประเสริฐที่สุดที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพ ก, <ม>การเสพรูปประชานและการเสเพารูปประชาน<ม>และเป็นความสุขที่ทําให้อิ่มตลอดเวลามมไม่มีความหิวความอยากที่จะเสเปลารูปประชเสพกามัดเสเพกรามเสเปลรูปประชานเสเพารูปประชานอีกต่อไป เมื่อไม่มีความอยากในจิตในใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเหล่านี้ก็จะไม่มีการจะไปเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปเช่นเดียวกันเพราะไม่รู้จะไปมีร่างกายทำไมเมื่อไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้วกายในการหาความสุขแล้วมีความสุขที่ดีอยู่แล้วเหมือนคนที่ไม่ต้องเสพยาเสพติดเขาก็มีความสุขได้ ทำไมเขาต้องไปเสพยาเสพติดทำไม mm. เสพไปแล้วไปติดไปเป็นทุกข์กับยาเสพติดเปล่าๆสู้ไม่เสพไม่ดีกว่าเลย mm. Mm. คนที่ไม่ติดอะไรนี้ดีกว่าคนที่ติด mm. คนที่ไม่ติดก็ไม่มีความทุกข์ mm. Mm. แต่ทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ยังติดอยู่มันจึงทาให้ไม่เห็นความสุขที่ได้จากการไม่ติดอะไรไม่อยากจะเสพอะไร ถ้าไม่ติดไอ้นี่ก็ต้องไปติดไอ้นู่นบางคนก็ติดเหล้าบางคนก็ติดบุหรี่บางคนก็ติดเที่ยวบางคนก็ติดช้อปปิ้งบางคนก็ติดแฟนมันต้องมีอะไรให้ติดอยู่เลยเพราะใจมันไม่มีจุดยืนของมันเองเป็นเหมือนคนพิการที่จะต้องมีมีมีของมาคอยค้ำเอาไว้มีไม้เท้ามีอะไรคอยค้ำเอาไว้ ยืนบนพื้นยืนบนแข่งขาลำแข่งลาขาของตนเองไม่ได้เพราะไม่มีธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวถ้ามีธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วมีศรรมีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าไม่ต้องไปพึ่งอะไรต่อไปไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปวดท่าพะมาให้ความสุขไม่ต้องพึ่งรูปประชานไม่ต้องพึ่งอรูปประชาน อยู่แบบไม่มีอะไรได้อยู่กับความว่างได้ไม่มีอะไรก็คือความว่างที่ท่านตัดว่านิพพานังปรมังศูนยยังอยู่กับความว่างคือไม่ต้องพึ่งอะไรเลยไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นแล้วไม่ต้องพึ่งรูปประชานไม่ต้องพึ่งอรูปประชานนี่คือความสุขที่จะได้รับจากการที่เรา ศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนคำธรรมะคำสอนนี้มีแบ่งไว้มีมีแบ่งไว้สองระดับระดับคารวะกับระดับพระนักบวชระดับคารวะท่านก็สอนให้ทําทานรักษาศีลภาวนา<ม><ม>คือทุกครั้งที่จะเอาเงินไปซื้อของที่เราติด<ม><ม>ก็เอาไปทําบุญดีกว่าจ ะ, จะได้เลิกจะได้ไม่ติดของที่เรา ติดกาแฟก็อย่าไปซื้อกาแฟพยายามอดไปอดไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หายอยากเองอดขนมติดขนมติดเที่ยวติดช้อปปิง้งติดอะไรก็ตามลองเอาเงินที่เราไปซื้อของเหล่านี้ไปทำบุญดิเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการทำบุญแล้วเราจะได้เลิกเราจะได้ไม่ติดสิ่งต่างๆอีกต่อไป พอไม่ติดเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินทองมาใช้กันทุกวันที่เราต้องไปดิ้นรนหาเงินทองเพราะเราติดเพราะเวลาไม่มีเงินทองซื้อของที่เราติดแล้วมันรู้สึกกดเหยีดหยดไม่มีความสุขสู้เลิกดีกว่าคนที่ไม่ติดแล้วเขาสบายกว่าคนที่ติดคนที่ไม่ติดเที่ยวเขาอยู่บ้านเฉยๆได้เช่นช่วงนี้ช่วงที่เขาบอกให้อยู่บ้านกันนี้ คนที่ไม่ติดเที่ยวจะไม่เดือดร้อนจะมีความสุขกับการอยู่บ้านแต่คนที่ติดเที่ยวเนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดรอเว้นับเวลาเมื่อไหร่จะเปิดผับเปิดบาร์เมื่อไหร่จะเปิดสถานบันเทิงต่างๆ ท, ทีจะได้ไปหาความสุขกันสําหรับผู้ที่ยังใช้เงินทองเพื่อซื้อของต่างๆมาเสพนี้ต้องฝืนมันเปลี่ยน เอาเงินทองนี้ไปทําบุญทําทานเสียแล้วจะได้ความสุขเหมือนกันเวลาเอาเงินไปทําบุญทําทานกับเอาเงินไปเที่ยวเนี้ความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานมันดีกว่าเพราะมันเป็นความสุขที่ไม่ได้ทําให้เราหิวเป็นความสุขที่ทําให้เราอิ่มอิ่มเอิบใจเอาเงินไปเที่ยวนี่มันทําให้เราหิวเที่ยวไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวอีก แล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็จะรู้สึกหนวดเหยียดลำคาญใจนี่เกิอหน้าที่ของทานคือมาเอาดึงเอาเงินทองที่เราไปใช้กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่จะทำให้เราติดเหมือนยาเสพติดและเวลาที่เราไม่ได้เสพมันมันจะทำให้เราทุกข์กัน ถ้าเราฝืนทำไม่กี่ครั้งทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญไปทาบุญแทนทุกครั้งอยากจะไปช้อปปิง้งซื้อของไม่จำเป็นก็ไปทำบุญแทนต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากไปเที่ยวไปอยากไปช้อปปิ้งของมันเองพอความอยากไม่ได้ไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะหมดกำลังไปตามลำดับเหมือนเวลาคนจะเลิกสูบบุหรี่ก็เหมือนกันทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็อยากไปสูบมัน เฟมันไปเรื่อยๆบางคนก็เปลี่ยนจากสูบบุหรี่มาเคี้ยวหมากฝรั่งมันก็ไปติดหมากฝรั่งอีกพอไม่ได้สูบบุหรี่ก็ติดหมากฝรั่งอย่างอย่าไปใช้อะไรมาแทนเลยพราะแทนแล้วเดี๋ยวมันจะติดอีกเอาทําบุญทำทานอย่างเดียวไม่ติดเวลาไปทําบุญทำทานแล้วเวลาไม่มีเงินไปทาบุญทาทา น, นจะไม่ติดจะไม่รู้สึกหงุดนีิย การทาบุญทาทานจะไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับการใช้เงินกับสิ่งอย่างอื่นถ้าใช้กับสิ่งอย่างอื่นแล้วมันจะติดซื้อกาแฟแล้วมันก็ติดกาแฟต้องคอยซื้อกาแฟมาดื่มอยู่เรื่อยๆซื้อขนมแล้วมันก็ติดขนมต้องซื้อขนมมากินอยู่เรื่อยๆของพวกนี้เราไม่กินไม่ดืม่มไม่ตายใช่ไหมถ้าเรามีข้าวกินตามปกติมีข้าวกินเราก็อยู่ได้ ของพวกนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดเราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝืนมัน <c oughs> ถ้าจะเสพก็ไปเสพ บ, บุญดีกว่าทำบุญทำทานดีกว่า ใ, ให้ความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อสิ่งเสพติดของของของใจคือไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆแล้วบุญที่เราทำไว้นี้จะติดอยู่ในใจเรานานกว่าด้วย ทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทําไว้เราก็จะรู้สึกมีความสุขใจปีที่แล้วเราไปทําบุญที่นั่นที่นี่ไปสร้างห้องน้ำไปสร้างโบสไปสร้างอะไรพอเรานึกถึงบุญที่เราทําไว้เราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราคิดถึงที่เราไปเที่ยวเมื่อปีที่แล้วนี่คิดแล้วก็ปีนี้ก็อยากจะไปเที่ยวอีกแต่ตอนนี้ไปไม่ได้เขาห้ามเที่ยวกันห้ามเดินทางกัน ใจก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวขึ้นมานี่คือการใช้เงินทองที่ถูกต้องการที่จะใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขนี่อย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นการส่งเสริมกามาตัณหาความอยากเสพการให้มีมากขึ้นให้เอาเงินทองนี้ไปทาบุญทำทานกันทาได้หลายรูปแบบด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดเสมอไป ทำกับวัดก่อนถ้าวัดเดือดร้อนขาดแคลนช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือก็ทำกับวัดก่อนแต่ถ้าวัดพอเพียงแล้วจะเปลี่ยนไปทำที่เขาขาดแคลนก็ได้เช่นตอนนี้โรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือให้เครื่องมือต่างๆหน้ากากอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปทำที่โรงพยาบาลก็ได้ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน เวลาทำแล้วจะมีความรู้สึกสุขใจสบายใจอิ่มใจภูมิใจดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าความรู้สึกมันจะต่างกัน <c oughs> เลือกทําได้ทำํำกับโรงเรียนก็ได้ถ้าโรงเรียนเขาขาดแคลนทํากับที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ทํากับพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ก็เป็นพระอารหันต์ของลูกๆ ก, ก่อนจะออกไปทํา ที่อื่นทำนอกบ้านนี้ต้องทำกับคนในบ้านที่มีพ่คุณกับเราก่อนแล้วต่อไปก็ดูพี่น้องญาติพี่น้องใครก็เดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาไปถ้าเขาอยู่ดีกินดีก็ไม่ต้องไ ม, ไม่ไม่ต้องกังวลเอาเอาไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต่อไปทแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ช่วยได้ช่วยช่วยนกช่วยนกช่วยปลาปล่อยนกปล่อยปลา ช่วยแมวช่วยหมาหมาจรจัดแมวจรจัดไม่มีที่อยู่อาศัยเอามาเลี้ยงดูให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายวิธีเหล่านี้จะทําให้เรามีความสุขใจและจะทําให้เราตัดความอยากใช้เงินกับรูปเสียงกิ่นรสต่างๆได้เช่นอยากไปเที่ยวก็จะหายไปต่อไปอยากไปช้อปปิ้งก็จะหายไป อยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปตามสถานบันเทิงอะไรต่างๆมันก็จะหมดไปเมื่อความอยากเหล่านี้หมดไปความจำเป็นที่จะต้องหาเงินมันก็มีน้อยลงหาเพื่อปัจจัยสี่ก็พอหาเพื่อมาเลี้ยงดูเมื่อเราไม่ต้องทำงานมากหาเงินมากเราก็จะมีเวลาว่างที่เราจะได้มาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมกันได้ มารักษาศีลมาภาวนากันได้เค um. ยทำงานห้าวัน6กวันต่อที่ก็อาจจะลดเหลือแค่วันสองวันก็จะมีวันหยุดมากมก็เอาวันหยุดนี้ไปอยู่วัดไปหัดภาวนากันไปหัดปฏิบัติกันแล้วพอภาวนาได้ก็จะได้ความสุขมากขึ้นยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานก็จะมีกำลังที่จะตัด ความอยากคือกามาตัญหาได้มากขึ้นจนสามารถตัดได้อย่างราบคาบเลยผู้ที่ตัดปัญหาการมาตัญหาได้อย่างราบคาบนี้เป็นพระอริยบุคคลสามขั้นแรกคือพระพรโสวดาบรนพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระโสดาบันนี้ยังตัดไม่หมดตัดได้บางส่วนนพระสกิดาคามีก็ตัดได้ไม่หมด ต้องถึงขั้นที่3คือพระอนาคามีจะตัดความอยากที่จะเสบรูปเสียงกิ่นรสต่างๆได้หมดเลย<ม>ความอยากเสบก า, กามามตัญหาจะหมดไปแต่พระอนาคามีก็จะไปติดการเสบรูปประชานกับรูปประชานต่อไป<ม>พอถึงขั้นอนาคามีแล้วก็ต้องมาสอนสอนจิตให้เลิกเสบรูปประชานเลิกเสบรูปประชาน ให้อยู่แบบไม่ต้องมีรูปฌานกับอารูปฌานอย่าไปติดติดแล้วมันจะทุกเวลาที่ไม่ได้เสพพอหยุดความอยากเสพรูปฌานเอรูปฌานได้ความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจก็หายไปหมดความสุขที่เรียกว่านิ่บานังปาลมังสุขขังก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีนิ่บานางบรลมังสุขขังนี้ถูกการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาบล็อกเอาไว้ กันเอาไว้ปิดเอาไว้ mm hmm. พอเอาการมาตัญหาภาวตัญหาวิภวตัหาออกไปจากใจด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้ใจก็จะว่างขึ้นมาทันว่างจากการมาตัญหาภวตัญหาวิภวะตัญหาเพราะใจไม่ต้องเสพอะไรแล้ว mm hmm. แ้วใจกลับมีความสุขยิ่งกว่า mm hmm. เป็นความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขัง mm hmm. นิ่บานังปรมังสุขขัง นี่และธรรมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้เข้าถึงแล้วนามาฝากพวกเรามาสอนพวกเราไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเข้าถึงธรรมันนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเท่านั้นและผู้ที่จะเข้าถึงธรรมเหล่านี้ได้ต้องมีผู้ที่รู้ทางมาสอนถ้าไม่พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพระอรหันตสาวกองได้ออ น, น ถ้าไม่พาหลานตสาวกก็ต้องไปค้นคว้าเอาจากพระไตรปิฎกเขาเองซึ่งการเรียนเองเราก็รู้ว่ามันยากง่ายต่างกันอย่างไรเรียนกับคนเรียนกับอาจารย์เรียนกับคนที่รู้มาสอนเหล่านี้มันง่ายกว่าเรียนเองนี่เดี๋ยวก็ทาผิดทาถูกเหมือนคนตาบอดคลาทาง<ม>พวกเรายังเป็นคนตาบอดอยู่ยังไม่เห็นทางเราก็ต้องคลาไปคลาผิดคลาถูกถูกไปแล้วบางทีก็เข้าใจผิด เข้าใจผิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ <Yeah. S 1> าจะหลงทางได้ mm hmm. แต่ถ้ามีพระอรหิยะบุคคลสอนแล้วมันจะทามันจะไม่หลงทางเพราะพระอริยะบุคคลเป็นเหมือนคนตาดีคนตาดีก็จะพาคนตาบอดให้ไปที่จุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว mm hmm. mm hmm. นี่คือความสำคัญของ พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรามาเข้าหากันในวันนี้วันนี้เราเข้าหาพระธรรมคำสอนนันะเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้เอาไปเป็นแนวทางของการปฏิบัติต่อไปแล้วถ้าเราปฏิบัติได้แล้วมีการเจริญก้าวหน้าตามลำดับถ้าเราปฏิบัติแบบไม่หยุดไม่หย่อน เดี๋ยวเราก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนคือถึงนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานังปรามังสุญยังทามันประเสริฐที่จะพระที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปไม่ต้องมาหลั่งน้ําตามากเท่ากับน้ํามากกว่าน้าในมาหาสมุทรอีกต่อไปนี่คือเรื่องของธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยถาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามณิโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโววินาสตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิฤสะนิจจังวุฒาปจายโน จตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังอาลาลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่กับนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์404ท่านค่ะแล้วก็เฟ e บุ๊ก พ อ, อจพอพจอห้ค่ะแล้วก็ YouTube 268ท่านวิทยุสิบท่านซูมสิบดท่านผู้รับฟังที่กุฏิ88ิท่านนะคะรวมเป็น837สท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็อ่านอ่านได้เลยถามได้เลยเจ้าค่ะมีคำถามนะคะผมทำผิดต่อครอบครัวในการน่าใจแฟน โดยการผิดรูปผิดเมียคนอื่นทำให้คนที่เรารักต้องเสียใจมากเลยรู้สึกผิดตอนนี้ทุกใจมากเลยอยากให้หลวงพ่อแนะนำว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับ<ม>เพื่อไม่ให้ใจนั้นเป็นทุกข์ก็อย่าไปทุกข์กับมันเพราะมันผ่านไปแล้วเพียง<ม>แต่ว่าเอาเหตุการณ์นี้เอาความทุกข์นี้มาเตือนใจสนใจว่าถ้าทำอีกก็จะทุกข์อีก แล้จะทุกข์มากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆดะ ง, ง <Yes. S 1> นั้นขอให้เราสานึกผิดแล้วก็พยายามหยุดการกระทาที่ผิดทั้นเสียแล้วต่อไปความทุกข์ใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกความทุกข์ที่เบีดอยู่เดียวมันก็ต้องหมดไปตามธรรมชาติของมันทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีวันสิ้นสุดลงแต่อย่าให้มันกลับมาซ้าซากด้วยการกระทาผิดของเรา การสำนึกผิดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้สำนึกแล้วต้องจำด้วยไม่ใช่เดี๋ยวพอหายทุกข์แล้วเดี๋ยวไปเจอเรื่องเก่าก็เรวอีกก็ไปทำเรื่องเก่าอีกซ้ำซากอีกอย่างนี้ก็ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นต้องพยายามจดจำให้ดีว่าทำแล้วมันทำให้เกิดความทุกข์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่น เป็นสิ่งที่เราควรที่จะอับอายขายหน้าแต่เรียกให้มีฮิริโอตตะปะอับอายขายหน้าเรียกว่าฮิริโอตปะก็คือความกลัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่จะตามมาถ้าเรามีฮิริโอตปะตลอดเวลาเราก็จะไม่กล้าทำผิดอีกต่อไปคำถามต่อไปนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม แบบขอโอกาสพระอาจารย์หากเรามีเพื่อนที่รักกันหลงผิดไปเชื่อว่าการฆ่าตัวตายไม่บาตอยากให้มีกฎหมายสนับสนุนการฆ่าตัวตายให้ทำได้เหมือนต่างประเทศเราจะวางใจอย่างไรกับเพื่อนดีเจ้าคะไม่กล้าเตือนกลัวผิดใจกันเพราะเขาเชื่อจริงจังเลยเจ้าคะ่ะก็คิดว่ากราเป็นเหมือนคนไข้ เวลาเขาเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรเราก็ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ก็<ม>ต้องปล่อยให้เขาติดโรคเป็นอะไรเขาไปลังจากว่าถ้าเขาเชื่อวิยาของเราเ<ม>ชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรับยาของพระพุทธเจ้าไปไปรักษาใจเขา<ม><ม>เขาก็จะหายได้เห็น<ม><ม>ถ้าเขาไม่ยอมรักษาใจเขาคิดว่าเป็นวิธีที่ถูก ที่ควรจะทำก็เราห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาทำไปเหมือนกันเราห้ามคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เขาเจ็บป้ายได้ป่วยเราไปทุกข์กับเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องทำใจเฉยทำใจเปน็นโอเบกขาไปคำถามต่อไปจากคุณจิรวันจึงชนินกุล ตามความเข้าใจของหนูคือเห็นตัวรู้ที่รู้จิตที่ปรุงแล้วปล่อยทำไปเรื่อยๆให้มีอารมณ์เดียวคือเรียบสงบไปหมดอันนี้ปฏิบัติถูกทางไหมคะคือก <c oughs> ารปฏิบัตินี้มันไม่ใช่เพียงแต่เห็นแต่รู้ตัวเดียวเท่านั้น สิ่งที่เราต้องเห็นคือตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหา<ม>เวลาอยากอะไรนี่เราต้องรู้แล้วว่านี่คือตัวที่มาก่อสร้างความทุกข์ให้กับเราต้องเห็นตัวนี้สำคัญกว่าเห็นตัวรู้<ม>ตัวรู้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่างไร<ม>ตัวรู้<ม>ตัวตัวที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจก็คือความอยาก ความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นตอนนี้อยู่เฉยๆดีอยู่แล้วถ้าไปอยากอะไรปั๊บนี่เดี๋ยวทุกข์ขึ้นมาแะต้องเห็นตัวนี้แล้วหยุดมันให้ได้ถึองจะถูกทางคำถามต่อไปจากคุณวุธนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์นั่งสมาธิไปสักหนึ่งชั่วโมงเกิดอาการรู้สึกว่า มีอีกหนึ่งตัวหลุดออกมาจากร่างกายที่นั่งอยู่หันกลับหันกลับไปมองรู้สึกได้ว่าที่นั่งอยู่เป็นตัวเราแต่ที่ยืนอยู่ข้างนอกเป็นตัวเราจริงๆตกใจมากจึงดื่มตา ก, ก็พบว่าตัวเองนั่งอยู่ที่เดิมกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่เกิดคืออะไรและควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปก็เสียสติไงเสียสติ ไม่อยู่กับลมหายใจไม่อยู่กับพุโทโธพอเกิดอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไปไปตามรู้ ท, ทันทีต้องพยายามยึดพุดโทโธแล้วยึดลมหายใจแล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏมันเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ได้เป็นของจีรังถาวรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไป เรานั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แต่เราห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเข้ามาเหมือนเดี๋ยวนี้เวลาเข้าไปทําซูมนี่พวกแฮกเกอร์มันชอบเข้ามาห้ามมันไม่ได้ก็อย่าไปสนใจมันหรือว่าลบมันออกไปได้ก็ลบมันออกไปถ้ามาวดเสียงดังโกงเกงโกงเกงอะไรลบกวนการสนทนากันก็ นั่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งแล้วเดี๋ยวจิตก็มีอะไรปรากฏขึ้นมามีของแปลกๆของที่เราไม่เคยเห็นปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเนี่ยพอรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาปับ๊บพอไปรับรู้ปับป๊บก็กลับมาที่ลมต่อกลับมาที่พุทธโธต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่มาสร้างปัญหาให้กับเราถ้าเราไปตามรู้เดี๋ยวเราคิดปรุงแต่งเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเดี๋ยวตก อ, อกตกใจขึ้นมาเดี๋ยวต้องเลื่อตาออกจากสมาธิขึ้นมา คอยรู้ว่าถึงที่เราเห็นในจิตนี้เป็นมายาเป็นเหมือนภาพยนตร์มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ไปสนใจมันไม่ไปเล่นกับมันไปจริงจังกับมันเหมือนเราดูหนังเราเรารู้ว่าคนที่อยู่ในจอหนังมันออกมาทำร้ายเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไปจริงจังกับมันเราก็กลัวมันใช่ไหมกลัวกลัวมันจะมาทำร้ายเราต่อไปค่ะคำถามจากคุณกิฟนะคะ กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกมีอาชีพขายอาหารตอนเช้าตอนเตรียมของขายก็จะสวดมนต์ไปด้วยโดยไม่ได้พนมมือจะบาปใหม่เจ้าคะและการสวดมนต์จากัดใหม่เจ้าคะว่าต้องเป็นบทไหนๆบ้างคือการสวดมนต์ก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าเราสวดมนต์ในเชิงเป็นการเจริญสติสวดไปภายในใจก็ไม่ต้องพนมมือ เดินจงกรมไปก็สวดได้ทําอะไรไปก็สวดได้เหมือนกับเหมือนกับการบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยแต่ถ้าเราสวดออกเสียงแล้วเราอยู่ในสถานที่ที่ควรจะพนมมือก็ควรจะพนมนพนมือเช่นถ้าไปนั่งสวดมนต์ในโบสถ์นั่งสวดมนต์ที่หน้าหิ้งพระอะไรทํานองนี้ก็ควรที่จะพนมมือเป็นการแสดงกิริยาของความเคารพนีแต่ถ้าเรา สวนในเชิงปฏิบัตินี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบบชาเคารพแบบปฏิบัติบูบชาก็ไม่ต้องพนมงหนก็ได้แต่แต่ต้องสวดในใจอย่าออกเสียงดังเพราะถ้าเกิดคนอื่นเขาได้ยินได้เห็นก็จะอาจจะตำหนิหรือไม่เข้าใจผิดก็ได้ว่าเราไม่มีความเคารพคำถามต่อไปจากคุณนรงชยัยกราบนามัสการครับ ขอกร า, าบเรียนถามพระอาจารย์ถึงที่การเจริญภาวนาอสุภะที่ถูกต้องและเห็นผลได้เร็วครับราคาเหมือนหนามแทงอยู่ลึกรู้ว่ายังมีตลอดเวลาถอนยากมากครับกราบสาธุครับก็อยากจะให้มันถอนเร็วๆก็ต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาทั้งวันทั้งคืนลืมตาตั้งแต่ลืมตาจกนกระทั่งหลับตาก็พิจารณาอาการ32บก็ได้ซากศพิบชนิดก็ได้ พยายามดูมันนึกถึงมันดูว่าร่างกายต่อไปก็เป็นซากศพสิบขั้นตอนศพตายใหม่ศพขึ้นอืดขึ้นพองศพถูกแมงกากรถนอนชัยอะไรทำนองเขียวช้ำบวมมีอยู่สิบชนิดด้วยกันหรือว่าเลิกถึงอาการส2สองโดยเฉพาะอาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนัง ใต่ถึงหนังก็จะมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีโครงกระดูกมีอวัยวะมีม้ามมีปอดมีไตมีลำไส้มีหัวใจอะไรทํานองนี้พยายามนึกถึงมันแล้วก็พยายามนึกภาพของอาการเหล่านี้จนต่อไปจะจะเป็นตาเหมือนเอ็กซเรย์พอเห็นร่างกายของไข่จนมองทะลุเข้าไปข้างในเลยจะเห็นโครงกระดูกเนี่ยของคนที่นั่งอยู่นี่เห็นโครงกระดูก เห็นปอดเห็นตับเห็นไตไม่ต้องไปสแกนให้เสียเงินเสียทองอปัญญาดีกว่าแสงสว่างแห่งปัญญานี่เหนือกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์แสงสว่างของดวงอาทิตย์ยังมองไม่ทะลุร่างกายมองไม่ทะุสิ่งที่มันหนาแน่นแต่ถ้าเป็นแสงสว่างแห่งปัญญานี่มันมองเห็นทะลุหมดเลยต้องพยายามนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆเห็นบ่อยๆ แล้วพอต่อไปเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็นึกถึงซากศพนึกถึงอาการ3 2มันก็จะหดตัวไปทันทีคำถามต่อไปจากคุณหนุยพิสิทธิ์เรียนถามหลวงปู่ครับว่าถ้าเก็บพระได้ตรงพื้นข้างทางไม่มีเจ้าของเก็บมาบูชาจะบาปไหมครับก็เหมือนกับเาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะ ก็จะไปรู้ไงว่าไม่มีเจ้าของอเจ้าของก็อาจจะหามันหล่นแล้วเขาพยายามหาอยู่ก็ได้ถ้าเราอยากจะรักษาสีแน้าบริสุทธิ์แล้วก็อย่าไปหยิบ ด, ดีกว่าปล่อยไว้ที่เดิ ม, อ, มอยากได้พ้าก็ไปซื้อผ้ามามาม า, มาบูชาก็ได้แต่ของนี่อาจจะเป็นของที่มีเจ้าของแล้วเขาทำตกหล่นเดี๋ยวเขาอาจจะกลับมาหาก็ได้ถ้าเราเอาไปแล้วเขาก็จะหาไม่เจอเห็นทางที่ดีอย่าไปหยิบของที่ไม่ใช่ของเราดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณจิ๊บพระอาจารย์เจ้าคะการที่เราจัดเตรียมเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้แขกเวลาจัดการเรียนที่บ้านแต่เราไม่ดื่มถือว่าเราผิดศีลข้อห้าหรือไม่เจ้าคะไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ดื่มเองผิดตรงที่เป็นผู้สนับสนุนให้คนอื่นเขาดื่ม เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนอมิจฉาชีพอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ควรจะอย่าทำเสิร์ฟของ ม, มึนเมาให้กับผู้อื่ด้วยขายของมึนเมาเช็นขายตามร้านขายของ ม, มอึนเมาก็เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เป็นสัมมาชีพแล้วเอาสุราให้คนอื่นเราก็เหมือนกับมิจฉาชีพอย่างนี้ก็อย่าไปอย่ายไปเสิร์ฟอย่ายไปมีในบ้านเราใครมาบ้านเราก็บอกว่าถ้าใครอยากจะดื่มสุราก็เอามาเองนะ หรือไม่เช่นนั้นก็ไปดื่มที่อื่นที่นี่เป็นเขตปลอดสุราเห็นไหมก็มีเขตเขตปลอดบุรี่ที่นี่ก็เขตปลอดสุราคำถามจาก facebook เรียนถามพระอาจารย์ครับสติปัฏฐานสี่ข้อที่บอกว่าเห็นธรรมในธรรมมีความหมายว่าอย่างไรครับพิจารณาอย่างไงครับก็เห็นธรรมที่มีอยู่ในใจเรา เห็นอริยสัจ ส, สี่หรือเปล่าเห็นสติหรือเปล่าเห็นสมาธิที่มีในตัวเราหรือเปล่าเป็นต้นเรียว่าเห็นธรรมในธรรมถ้าเห็นเราก็จะได้รู้ว่าโอ๊ยเรามีธรรมเยอะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต่อสู้กับกิเลสได้ถ้าไม่มีเราก็ต้องรีบสร้างกันขึ้นมามีศีลหรือเปล่าในตัวเรามีสมาธิหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่า ของเหล่านี้เราสร้างขึ้นมาได้เศรษนกิจก็รักษาได้สมาธิก็ฝึกได้ปัญญาก็พิจารณาได้เช่นอนสุภาษนี่เราเห็นอสุภาษหรือยังถ้าเห็นอนสุภาษก็เลยกว่าเราเห็ น, น, เ, เ, ร เ, หนเรามีปัญญาเรามีปัญญาในตัวเราคือนี่คือการมีธรรมในธรรมธรรมในธรรมก็ทําในใจเรานี่แหละคําถามจาก facebook พอนึกถึงยุควิสัญญีแล้วรู้สึกเศร้ามากเลยเจ้าค่ะ จะร้องไห้ทำอย่างไรเจ้าคะก็ยามมาเกิดซะไม่ไปบวชนะน้ <c oughs> องชายมันไม่เกิดไปอยู่อะไรเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นเห็นเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไปบวชเลยในชะ่ไหมคำถามจากคนเดิมนะเจ้าคะเราจะฝันดีหรือฝันร้ายขึ้นอยู่กับกรรมของเราด้วยไหมเจ้าคะใช่ถ้ากรรมดีทำบุญมากๆก็จะฝันดี ทำบาปมากๆก็จะฝัน<ฮ>ร้ายหลพงตาเจ้าบอกผู้ที่ทำบุญนี้มากนี้จะตื่นก็ตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายคำถามจากคุณ<ฮ>จิ๊บ<ฮ>พระอาจารย์เจ้าคะจะทราบอย่างไรเจ้าคะว่าเรามีสติหรือขาดสติในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิ การฝึกสติคือการรู้ตัวตลอดด้วยพุทโธใช่ไหมคะถ้าใช่บางครั้งใจเราก็คิดพุทโธแต่ก็ยังมีความคิดอื่นผุดมาค่ะทำอย่างไรกับความคิดเวลาที่เราคิดพุทโธไปด้วยคะอย่าไปสนใจความคิดให้สนใจกับพุทโธอย่างเดียวตอนต้นมันก็แข่งกันเพราะความคิดมันยังมีกำลังมากอยู่แล้วพุทโธของเรายังมีกาลังน้อยอยู่ แต่ถ้าเราพุดโธพุทโธไปเรื่อยๆเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวความคิดมันก็จะจางหายไปต่อไปคำถามจากคุณลูกธนกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะนอนหลับตอนกลางวันแล้วมี ม, มีตนหนึ่งหลุดออมากครึ่งตัวอีกตัวนอนอยู่พอรู้ตัวตื่นขึ้นมาก็รีบลุอกออกจากห้องไม่กล้านอนอีกเลยแปลว่าอะไรเจ้าคะก็เป็นความฝันอย่างงความคิดปรุงแต่งของจิตหนึ่ง แต่งขึ้นมาก็ดูให้มันเหมือนภาพยนตร์กันแล้วกันนะมันมันไม่มีสาระอะไรหรือว่ามันไม่มีพิษมีภัยอะไรกับเราถ้าเราไม่ไปสนใจมันคํถาถามจากคุณเกษมศักดิ์เมื่อกระผมได้ปฏิบัติธรรมบ่อยครั้งกระผมมีจิตคิดอยากจะบวชเป็นพระแต่เมื่อขออนุญาตแม่แต่แม่ไม่ให้บวชกระผมควรทําอย่างไรดีครับบวชข้าวเลย ถ้าไม่ได้บวชก็จะไม่กินข้าวต่อนปนี้เดี๋ยวไม่กี่วันพ่อแม่ก็ให้บวชเองในสมัยพ่ะพุทธการทามาแล้วเศรษฐีมีลูกคนเดียวลูกอยากบวชแต่พ่อแม่ไม่ให้บวชเพราะไม่มีใครจะรับมรดกก็เลยอดอาหารอดอาหารไม่ยอมกินข้าวพ่อแม่ก็ไปเรียกเพื่อนของของลูกมาช่วยกล่อมก็ไม่ยอมฟังในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องยอมยอมให้บวช คำถามจากคุณพงษ์ประพัฒนพระอาจารย์ครับใช้ปัญญายังไงครับก็เห็นคนตายนี่ก็เป็นปัญญาเห็นคนแก่ก็เป็นปัญญาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นปัญญาพยายามเล็บบ่อยๆว่าร่างกายของเราต่อไปก็ต้องแก่ต้องเป็นคนแก่ต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเป็นคนตายต้องเป็นซากศพ ต้องไปนอนอยู่ในอยู่ในโรงต้องไปอยู่ในเมนกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานเป็นเศษกระดูกไปนี่เรียกว่าปัญญาขั้นในระดับหนึ่งมีหลายระดับด้วยกันอันนี้อธิบายแบบง่ายๆเอาตัวอย่างแบบง่ายๆแต่ทุกอย่างนี้ที่เราถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันมีนมเกิดน่ามีดับก็เรียกว่าปัญญาทั้งนั้นคำถามจากเฟบ๊นะคะ ทำไมเราชอบผู้ชายรักกับผู้ชายเจ้าคะก็ใจเราเป็นผู้หญิงแต่ไม่ได้ร่างกายของผู้ชายเท่านั้นทำไมผู้หญิงก็ชอบผู้ชายผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็ได้ร่างกายของผู้หญิงแต่เรามันดันไปได้ร่างกายของผู้ชายเขาแต่ใจเราเป็นผู้หญิงก็ก็ทาใจไว้ก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนแล้วก็ชอบผู้ชายไปเพราะเราเป็นผู้หญิงไงแต่เรามีร่างกายเป็นผู้ชายเท่านั้นเอง คนโลกเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเราเป็นของแปลกไปความจริเราไม่แปลกร่างกายมันแปลกมันมาจับผิดคู่นั่นเองงั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเลยคือเสียหายทั้งคู่คนที่ชอบกันยังมีกามากตันหาก็เสียด้วยกันทั้งคู่ก็อย่าไปเสกกามเสียจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายงั้นมันเป็นเรื่องปกติอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทาง การผลิตสินค้าบางทีผิดพลาดจะผิดคู่ก็เลยผู้หญิงไปได้ร่างกายของผู้ชายเขา้าก็เลยไปชอบผู้ชายด้วยกันผู้ชายบางคนก็ไปได้ร่างกายของผู้หญิงเขาแล้วก็ไปชอบชอบเป็นผู้ชายเห็นไหยมันเป็นของเขา้าใจของเขาเป็นอย่างนั้นใจเป็นตัวสําคัญใจเป็นตัวหลักถ้าเราดูที่ใจแล้วเราจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่อง ะ ห, หาอไรอคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะสวดมนต์อย่างไรให้ได้บุญมากเจ้าคะ่ะสวดทั้งวันทั้งคืนเลยสวดนอกมากมมม <c oughs> ยิ่งสวดมากยิ่งได้บุญมากเหมือ <c oughs> นทําบุญก็เหมือนกันนะ่ะทําบุญ น, น้อยก็ได้บุญ น, น้อยทําบุญมากก็ได้บุญมาก มีคําถามจากข้อความนะคะกราบนําเการพ่อแม่ครูอาจารย์ขอรับกระผมมีเรื่องทุกใจเกี่ยวกับธุรกิจที่บ้านที่บ้านเปิดห้องพักบริการยี่สสี่ชั่วโมงครับเป็นห้องพักแบบค้างคืนและชั่วคราวกระผมอึดอัดใจเป็นอย่างมากที่ต้องมาคอยดูแลกิจการเพราะเป็นของคุณพ่อการ การเปิดห้องพักแบบนี้จะบาปไหมครับกระผมไม่มีเจตนาจะให้ผู้ใดาพาใครมามีอะไรด้วยในนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นกิจการของคุณพ่อบางครั้งคิดแค่ว่าคงไม่มีใครมาพักใช้ผิดรูปผิดเมียตัวเองทุกวันนี้<ม>กระผมฝืนใจทำเพราะถือว่าตอบแทนคุณมีดามัรดาเราไม่บาปหรอกเพราะว่าเราไม่ได้กระทำการผิดศีลข้อสามนี เงแต่เป็นเหมือนกับที่เมื่อกี้พูดมันเป็นอาชีพที่ไม่ชอบไม่ใช่เป็นสั ม, ม า, าชีพเพราะเป็นอาชีพส่งเสริมให้คนทำผิดศีลงั้นถ้าแต่ถ้าเรายังจาเป็นอยู่เรายังต้องทดแทนบุญคุณอยู่หรือต้องทำหน้าที่ของเราก็ทำไปแต่เราไม่ผิดหรอกต่อไปถ้าเราถ้าเราเป็นอิสระของตัวเราเองแล้วเราก็ไปเลือกอาชีพที่เราสบายใจ ตอนนี้เราก็ต้องทำกับครอบครัวไปก่อนเพราะเราก็อาศัยครอบครัวเราก็ต้องตอบแทนครอบครัวช่วยเหลือคร อ, อบครัวไปน<ม>อกจากว่าถ้าเราเราอยากจะเคร่งทางธรรมก็หนีไปบวชไดนะ<ม>หรือหนีไปอยู่ที่อื่นนะมีคำถามจากคุณธรรมศร์นะคะกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ กรรมที่ทำให้พระประราชิกนี้ปิดกั้นมรรคผลนิพพานใหม่ครับเขือถ้าตามหลักธรรมที่แสดงไว้ก็ถ้าเสกประราชิกแล้วก็ยากต่อการที่จะปฏิบัติไปถึงมิรนคนานได้ท่านก็เรียกว่าเป็นธรรมเป็นการกระทาที่จะปิดกั้นไม่ให้ไปถึงนิพพานได้เน้นอย่าไปอย่าไปผิดประราชิกนี้เป็นของของพระมีสี่ข้อข้อห้ามใหญ่สี่ข้อ คือฆ่ามนุษย์เนี่ยเสพกามแล้วก็ลักทรัพย์แล้วก็อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนขวดว่าตนเองเป็นโสดาบันขวดว่าตนเองได้รูปประชานได้รูปอรูปประชานโดยที่ไม่มีแต่ถ้ามีถ้าเป็นไม่ได้อวดไม่ถือว่าอวดไม่ได้ถือว่าเป็นบา巴าเชก มีคำถามจากเฟซบุ๊กนะคะพระอาจารย์คะใครเป็นคนกําหนดร่างกายให้จิตเราเวลาเกิดเจ้าคะก็ธรรมชาติเขาเรียกกรรมเมันเป็นตัวกําหนดกรรมพาให้จิตไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานที่จะไปได้ร่างกายตรงกับเพศหรือไม่อันนี้ไม่รู้อะไรเป็นตัวกาหนดอาจจะเป็น เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เราเมื่อเราไม่รู้มันเป็นรรจินิตยก็อย่าไปสนใจเราก็ยอมรับสภาพของความเป็นจินิ์ไปก็แล้วกันคำถามจาก facebook ค่ะทำไมบางทีเรามักจะไปเจอเหตุการณ์ที่ทาให้รู้สึกต้องอับอายขายขียข้หน้าบ่อยต้องแก้ไขยอย่างไรและวางใจอย่างไรเจ้าคะ ก็ต้องทำใจแหละว่ามันเป็นวิบากของเราคนละกันที่จะต้องไปเจอเหตุการณ์เหล่านี้เวลาเจอเหตุการณ์ก็พยายามทำใจเฉยๆไว้พุโทโธพุโทโธไปแล้วอาการอับอายขายหน้ามันก็จะไม่เกิดเรายอมรับว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่อเราเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถอว่าเป็นผลของการกระทำของเรา คำถามจากเฟซบุ๊กค่ะการที่เรานึกอะไรบ่อยๆแล้วเก็บไปฝันเกี่ยวกับกรรมใหม่เจ้าคะเมื่อคืนฝันเห็นหลวงปู่วิริยังเจ้าค่ะก็คิดบ่อยๆก็เป็นกรรมอย่างนี้เรียกว่ามโนกรรมพอคิดบ่อยๆมันก็ติดไว้ไวในใจพอนอนหลับมันก็คิดมันก็คิดต่อไปเหลืออีกสองนาทีหมดแล้วหลือเจแล้วเจ้าค่ะโอเคถ้าหมดแล้งั้นก็คิดว่า ขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ